ขอความเจริญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รุมงปโพธิยานกำลังนำเสนอมาถึงเรื่องของสมาสมาธิคือการตั้งสมาธิชอบนั่นเป็นการนำเสนออริยมรรคมแปดประการในตอนต้นของธรรมจั ก, กรวัตนาสูตร แต่พอดีองค์ธรรมนั้นมีความเชื่อมโยงกับในที่อื่นจึงบรรยายเรื่องสมาสมาสมาสติออกไปที่มาสติปัฏฐานแต่ว่าเขาก็พูดมาถึงเพียงแค่สามพุทชงคืนไม่ได้พูดไปที่สัจจปป ะ, ะเพราะว่า ในสัจจะพระภะนั้นจะมีข้อความอยู่อีกช่วงหนึ่งในธรรมจักรวัฒนสุดแต่ว่าทรงอธิบายขยายออกไปวิจิตพิสดารในมหาสติปัฏฐานาสุดในที่นี้ข้าจะนำเสนอท่านผู้ฟังไปศึกษาตัวพระบาลีพุทธวจนะ ที่ทรงแสดงลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติที่พัฒนาจิตมาถึงตัวสมาสมาธิก็หมายความมาขึ้นมาจากศีลแล้วก็มาสมาธิทรงแสดงแก่พระเจ้าอาชาติตศัตรูไว้ในสามัญญผลที่สุดแล้วเป็นข้อความที่ถือว่าทรงอธิบายเองแล้วก็พิสนา เริ่มเรียงมาจากศีลต่างๆจากศีลระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดก็เรียกว่าจุลศีลมาศีลมชิมศีลออมชิมศีลมหาศีลแ้จากมหาศีลก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงเป็นการปฏิบัติในรูปที่ว่า ไปควบคุมในเชิงอิริยบทคือในแง่ของกรรมฐานก็คือเป็นสัมปชัญญะประภานะครับแต่จะเริ่มต้นจากตอนปลายสุดของมหาศีนที่มาเริ่มที่อินเซียสังวรศีนเดี๋ยวจะเดินเข้าไปสู่พวกนิวรณแล้วเดินก็ไปสู่ฌานนะครับ เป็นลำดับที่ทรงเรียบเรียงไว้เองมันเกิดขึ้นมาเจ้าพระเจ้าจากพระเจ้าชาติตรูถ า, ถามถึงผลที่เกิดขึ้นจากการบวชเออไปเทียบเคียงกับผลซึ่งการศึกษาการประกอบอาชีพของคนเราอื่นว่ามีผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยตัวการบวชของบุคคลทั้งหลายนะมีผลอย่างไงประสงค์แสดงกันมาโดยลำดับนะคับ ก็มาถึงจุดหนึ่งก็เป็นอินเสียสังวรเริ่มที่อินเสียสังวรในที่จริงมันเป็นสมาวยามะข้อแรกแต่ในสมาวยามะก็ไม่ให้ความพิสดารเท่าที่ทรงแสดงในสามัญญผลสุรคือเพียงแต่ว่าให้บุคคลบุกควางความพอใจใช้ความพยายามไปทำความเพียนโดยติดต่อในการสำรวมระหวังไม่ให้ป่าปกอบสุญที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น แล้วก็เมื่อสํารวมระวังได้ระดับใดไปแล้วก็ประคองจิตไว้ระดับนั้นแล้วก็สํารวมระวังต่อไปคือใช้ข้อความไม่มากแต่ในที่นี้รับสั่งว่าดูก่อนมาบพิชิตอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองในอินทรีย์ทั้งหลายคําว่าอินทรีย์ในที่นี้ก็คือประสาทสัมผัสอายตนะภายในของเรานั่นเอง คือตาหูมกลิงนกายใจที่เรียกว่ามีอินทรีย์อันคุ้มครองแล้วอินสียะคุตตะวาโรคือมีทวารกับอินทรีย์อันคุ้มครองได้แล้วกราบสัง ว, รรว่าภิกษุในธรรมีในนี้คําว่าภิกษุในธรรมีในนี้นี่อย่าลืมว่ามันประเด็นของปัญหาคือประเด็นก็ปัญหาถามเรื่องภิกษุ พระพเจ้าก็สรงแสดงที่ตัวภิกษุแต่ว่าแนววินเซียสังว น, นั้นเป็นแนวสากลคือแนวทั่วไปอยาป่างปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมดลกปัจจุบันนั้นเราจะเห็นว่าแย่าผู้สื่อลามกทั้งหลายเนี่ยมันก็คล้ายๆกับยาบ้าคือพวกผลิดพวกก่อจํหน่ายนั้นเป็นอีกพวกหนึ่งคือขอให้ตัวเองได้โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของใครก็ไม่รู้ ตัวเองได้เป็นพอแต่ถ้าคนเราได้คุ้มครองอินทรีย์ทั้งหลายไว้ไม่ยอมไปซื้อหาไม่ยอมมาเปิดดูเขาบอกว่ามันเป็นแผ่นอะไรหรือซีดีต้องเข้าเครื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยคือมันต้องมีอุปกรณ์เยอะนะจึงจะดูได้เนี่ยแต่คนก็ดิ้นโดนคนขวายเพื่อจะดูนั่นนอกจากไม่สํารวมระวังอินทรีย์แล้วเนี่ย่ยังดิ้นรดน กวนขวายเพื่อจะดูเพื่อจะฟังเพื่อจะดมเพื่อจะลิ้มเพื่อจะชิมเพื่อจะจับต้องในที่นี้ก็เพื่อจะดูเพื่อจะฟังและจากาข่าวต่างๆเนี่ยมันแสดงได้ ว, ว่าพื้นจิตคนนะตกต่ําลงไปมากมีความนิยม ช, มชมชอบในการแอบในการดูในการซ่อนตัวและแอบถ่ายภาพคนที่เพล่เพลอ่อะไร ต, ต่างๆ กลับมาความมามีอาการทางจิตขึ้นเยอะเลยแา่าการสำรวจระวังขนาดนั้นปัญหาต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นอีกมากมายก่กองแต่ในที่นี้ก็ส่งแสดงว่าเห็นรูปด้วยจักสุแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถือโดยอนุปยัญชนะ เตยย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนศีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุในอกุศลธรรมอนลโมกขเกือปิชาและโธมานัทครอบํำนั้นชื่อว่ารักษาจักขุนศีชื่อว่าสำรวมในจักขุนศีนี่คือคือโครงสร้างหลักนะฮะต่อไปก็เป็นหูจมูกยิ้กายนะฮะจนถึงใจคือประเด็นที่ที่ควรจะมองก็คือว่า เวลาเห็นรูปใบตาแล้วเนี่ยถ้าไม่เกิดปัญหามันก็ได้เกิดตามปกติแล้วเราก็ไปเห็นรูปใบตาอยู่เยอะเลยแต่เราเราก็ไม่นสนใจไม่ใส่ใจอะไรเพราะอะไรเพราะเราไม่ถือโดยนิมิตคําว่าถือโดยนิมิตกนะ็คือรวบถือเป็นชิ้นๆเป็นอันๆเป็นคนๆเป็นรุ่นๆเป็นหลังๆเป็นเดือนๆไปเช่นว่าคนนี่สวยรถคันนี่สวยบ้านหลังนี้สวย เสื้อผ้าชุดนี้สวยเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าถือโดยนิมิตก็รวบถือไปเลยถือว่าเป็นที่รักใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจแต่อย่าลืมมาถือว่าไม่ไม่สวยงามนะไม่น่าพอใจมันก็เกิดโทสะแต่ถ้าถือว่าไม่สวยไม่งามมันเป็นการสกัดกั้นกิเลสประเภททั้งโลภะแล้วก็ทั้งโทสะเอาไว้ ค้นท่าทีในการมองจึงมีความจําเป็นว่าบางคราวเรามองแล้วกิเลสยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นที่กิเลสที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มผูนมา ก, กึ่งขึ้นมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีในการมองคือไม่ถือโดยอนุปยัญชนะอนุปยัญชนะนั้นคือแยกถือเชจะสมมุติว่ามองคนเนี่ยคนนี้ตาสวยคนนี้จมูกสวยคนนี้ปากสวยคนนี้ใบหน้าสวยนะสวยเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งและหลายๆายส่วน แต่ไม่ได้ไปถือหมดทุกทุกส่วนแล้วเกิดกำนัดระคร่พอใจสยบติดเพลเพลินชื่นชมยิน ด, ดีในสิ่งดอกนั้นคพราะมัเป็นสูตรขอมันโดยธรรมชาติของมันว่าที่สำรวมระวังจกขุนสีนี่ยถ้าหากว่าไม่สำรวมระวังแล้วเนี่ยอกุศลและทำอันลามุ อารมณ์มคกือทำจิตใจของบุคคลไม่สะอาดไม่สงบไม่สว่างเคือพิ ช, ชาความเพ่งเล็งโลภอยากได้อยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากชิมอยากจับต้องในสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเกิดขึ้นภายในใจอีกอย่างหนึ่งอภิ ช, ชานั้นไม่ใช่โทปนัตนั้นเป็นกิเลสประเภทโทสะด้วยแล้วก็เป็นอาการของทุกขประเภท โบทมันนัดด้วยคือเราเห็นว่าพอโบทมันัดเราเสียใจมากๆาเนี่ยจะเกิดโกรธเพราะนันก็เป็นอาการของความไม่พอใจนั่นเองแต่มันเกิดที่โบทมนัดความรู้สึกทั้งสองประการนี้เราพูดกันโดยทั่วไปว่ายินดียินรายหรยือรักชังอะไรก็ตามที่เรามองด้วยความรักกิเลสสายโลภะสายราคะก็เกิดขึ้น หมองด้วยความชังกิเลสสายไม่ยินดีสายกโกรธสายปฏิฆะสายหงุดหงิดสายราคาญก็จะเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่ากิเลสประเภทโลภะกตุสสะนี่จะครอบนำจิตใจของบุคคลได้ง่ายนี่ก็คิอว่าเป็นการรักษาจากขุนสีอินทรีย์คือตาคำอินทรีย์นั่นแปลว่าความเป็นใหญ่หมายความมาตานั้นก็เป็นใหญ่ในการดูรูป คือในเรื่องของการดูรูปแล้วเนี่ยเราจะใช้อย่างอินแทนตาไม่ได้ก็ต้องใช้ตาดูตัวหลนี้จึงเรียกว่าอินซีจากขุนซีโซตินซีคาร์นินซีชิวินซีกายินซีมันอินซีนะอินซี C คือตาหูจมูกยิ M ้นกายใจเนี่ยแต่ละอย่างเรียกว่าอินซีคือเป็นใหญ่ที่ว่าถึงความจำรวมอินซีเป็นศีลที่ประณีตเป็นธรรมะที่หยาบ คือหมายความว่าเราลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเรื่องมันเรื่องมันไปอยู่ในศีลข้ออะไรล่ะข้อนัจคีแต่ว่านัจคีข้อมารานะะการควน ร, รำขับร้องประกอบดนตรีดีสีตีเป่าะดูการลเล่นต่างๆประดับประดาร่างกายูฎ ร, ระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นศีลแต่ว่าศีลที่ประณีต ไม่ใช่เป็นบาปสากรุนแต่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าปัญติวัชชะคือมันผิดพระวินัยในแง่ที่เป็นบทปัญญัติทางพระศาสนาเด่๋ยวคนทั่วไปก็ก็ทําเพราะว่าเขาไม่ถือศีลระดับนั้นเพราะในการมองศีลเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่น่าทําความเข้าใจนะคเกือบจเห็นว่าสังคมไทยอย่างสับสนอยู่ตลอดแล้วก็แก้ไขได้ยาก วนในกรณีของเรื่องพระที่ดังๆอยู่ระยะใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรื่องจริงเนี่ยนะที่จริงมันแก้ไขได้ถ้าจริงขนาดนั้นตามข่าวเนี่ยนะแต่ท่านรูปนี้ก็จุดอ่อนคือไม่ยอมชี้แจงไม่ยอมยอมธิบายอะไรเลยคงจะเป็นการถมมนั์เสียใจที่ลูกศิษย์มาดัดหลังเอาอย่างนั้น ค, คนคนาพหาสมาคมอยู่ด้วยกันนี่ยอาจจะปิดหวังแรงไปหน่อย แต่จริงก็ออกมาอธิบายเปิดเผยตัวเองให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็บอกว่าอะไรเป็นอะไรชาวบ้านเองก็ต้องเข้าใจนะว่ามาตรฐานศีลของพระนี่ไม่มีใครในโลกพะรักษากันหรอกในหนังสือปุชาวิสัชนาของศาสนาคริสต์เนี่ยก็โจมตีศีลของพระว่าว่าแรงๆนะฮะว่าไม่มีมนุษย์ไหนก็ปฏิบัติได้อนะ คือมันละเอียดเกินไปนะมันเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูงสุดแต่พระก็คือมนุษย์คือคนเนี่ยคือลูกชาวบ้านธรรมดาลูกตาสีตาสายมายามีธรรมดาเนี่ยนะแต่มาถึงก็วางเกณฑ์กำหนดให้ปฏิบัติในศีลที่ประณีตมากคนทั่วไปมันไม่ได้บาปอะไรโดยฟ้อนำกับร้องประโคมดนตรีดิสีตีเป่าต่างๆคุยกับผู้หญิงเขียนจดหมายเกี่ยวผู้หญิงอะไรแต่อะไรไม่ได้บาปอะไรนี่นะชาวบ้าน แต่ท่านผิดในฐานะที่ท่านเป็นพระแต่เราไม่ถือว่าเรื่องผิดชะกันอะไรก็ไปลงโทษให้ประพฤติปฏิบัติประจานตัวเองอยู่ตามกําหนดในเงื่อนไขของพระวินัยอ่ะนะเ ข, ะ า, ขาเรียกว่ า, าบัตรสังกาทิเสศแล้วพอจบมันก็จบในวงการพระเนี่ยเขาก็ให้อภัยกันในพระวินัยนะฮะพระวินัยเนี่ยบัญญัติไว้ไม่ใช่วงการพระหรอกพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าไม่ถึงก็เอา เราเป็นเราตายเพราะว่ามันไม่ใช่วินัยของสามัญชนทั่วไปลองสังเกตนะฮะว่าศีลที่เราเรียกว่าประราชิก ค, คือภายแพ้เนี่ยที่จริงมันระดับศีลมันหยาบนะฮะศีลดันงนั้นที่จริงเป็นศีลที่ยากแต่ว่าที่เราพูดเป็นศีลในปณัณณีเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ดูว่าศีลเหล่าเนี้ยมันเป็นศีลประเภทเป็นปนัณติวัชามันมีบทบัญญัติเฉพาะกลุ่มของบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่น คือยังนึกถึงเรื่องเหตุการณ์หลายปีมาแล้วไปประเทศฝรั่งเศสพศ2531อะไรแต่เนี้ยนะก็ะพอดีก็มีข่าวว่าพระลาวกับพระไทยไปขัดแย้งกันในประเทศฝรั่งเศสแล้วพระลาวก็ไปฟ้องพระไทยกับตำรวจว่าพระไทยมีเมียตำรวจแกหัวเราะดิ้น แกถามมาคูนี่บ้าเลยไงคนมีเมียมันผิดอะไรเรามาฟ้องตำรวจอ่ะคืนนั้นเนี่ยเป็นการแสดงว่าถ้าไปบอกว่าพระไทยฆ่าคนตายพระไทยรักทรัพย์เนี่ยมันผิดชากลนะแต่พระไทยหลอกโลง ต, งต้มปุนคนมนี่ผิดสากลนะตำรวจส่วนไหนในโลกเขาไปจับนะโดยพอมีเมียเขาก็ขำ คือสองสารคนฟ้องอ่นอานใจกับคนฟ้องเนี่ยว่าคุณมาฟ้องได้ยังไงมันผิดอะไรเพราะอะไรเพราะว่านักบวชของฝรังก็มีเมียนี่นะอันนี้คือคือคือปัญหาที่เราจะต้องเข้าใจว่ามาตรฐานบางอย่างเนี่ยมันเป็นมาตรฐานสูงมาตรฐานสูงท่านทําได้ก็เป็นความดีส่วนตัวของท่านท่านทําไม่ได้ก็เป็นความบุกฟ้องก็ท่านเองนะฮะเป็นกรรมเฉพาะตัวของบุคคลเหลนะ่านั้น ในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยเป็นกรรมเฉพาะตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยแต่เราลากให้ไปผสมกันซึ่งมันแสดงให้เห็นเรื่องความไม่เข้าใจในกระบวนการของกรรมในสังคมพุทธแต่คนที่เข้าใจผลในเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะไม่เดือดร้อนเลยก <c oughs> ็จะไม่เดือดร้อนอาตมายังนึกถึงสมัยอาตมาอยู่ที่ต่างจังหวัด ก็มีเกิดเรื่องผู้ใหญ่กันในกรุงเทพสองรูปเท่านั้นนะปศสองพันห้าร้อยห้าร้อยสามา 500, 50นะฮะ <c oughs> เราก็อึดอัดการุ่วมมีตัวกังวลญาติโยเามเข้ามาเขาบอมันเดือดร้อนอะไรกับท่านเน่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านเนี่ยมันเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านอย่านึกว่าญาติโยมผู้หญิงนะ <c oughs> ก็ยังเข้าใจยแยกแยะอะไรเข้าใจขนาดนั้นคนยังเข้าวัดตึงเต็มวัดอยู่นะั้นะไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เข้าใจจะไม่รู้จักแยก แ, แยะว่าอะไรมันเป็นปัณติวัชา้าอะไรเป็นโลกวัชา้าอย่างนี้การกินข้าวเย็นเนี่ยก็เรียกเป็นปัณติวัชา้ามันเป็นผิดเฉพาะ พ, พลาดเขาแต่ว่าคนที่รักษาศีลแอบขึ้นไปคนอื่นที่เขาไม่รักษาศีลอย่างนี้ก็ไม่ผิดเ อ, อ ก, กินนะกี่ครั้งก็ได้ไม่ว่าไรเปลืองไรตางเองแต่นั่นเองนี่คือศีลเพราะศีลในแนวอินเสียสังวรเนี่ยเป็นศีลที่ละเอียด พระนั้นเป็นศีลแต่โยมนั้นเป็นระดับธรรมะปฏิบัติเพราะอะไรเพราะว่าญาติยโยมเน่สมมติว่าผู้หญิงกับผู้ชายนั่งคุยกันได้สองต่อสองก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พระไปนั่งคุยกับผู้หญิงสองต่อสองหรือผู้หญิงหลายคนพระรูปเดียวเนี่ยก็นั่งคุยกันไม่ได้มันต้องมีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนแต่ทีนี้ถ้าผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนก็ตามแหละ เขาป้องกันอาบัติระดับปาจิตทีเขาไม่ป้องกันอาบัติระดับสังฆาธิเศษแต่ในตรงนั้นพระเกิดไปเกี่ยวผู้หญิงเข้าก็ต้องอาบัติผู้ชายก็คุ้มครองอะไรไม่ได้นั่นคือเรื่องของวินัยยังไม่ถามว่าชาวบ้านทําได้ไหมคนรูปไปทําได้ไหมตำแหน่งใหญ่ๆทําได้ไหมโคตระดับนานยกตุนตรีทําได้ไหมทําได้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วินัยของชาวบ้านเขาแต่เป็นวินัยของพระ วันที่ทรงแสดงให้เห็นในที่นี้นี่ว่าพิสษุนในธรรมีในนี้หรือบุคคลในโลกนี้อะไรก็ได้นะะแต่ว่าเราก็อันนี้มันเป็นเกณฑ์ระดับพิกษุแล้วพุทเจ้าก็ใช้กรรมว่าพิกษุในธรรมีนในนี้เห็นรูปด้วยจกักษุแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนศีคือแม่เกิดอภิาชาและอโธมนัดคือไม่เกิดความยินดียินได้ เวลาตายรูปเหล่านั้นเนี่ยที่เมื่อถ้าไม่สํารวมเนี่ยถ้าเมื่อถ้าไม่สํารวมเนี่ยอกุศน ล, ละธรรมอลามลกคือพิชาความเพ่งเล็งโลภอยากได้กับโทมานัตความเศร้าตัวความโทมานัตความเสียใจและความขับแค้นใจตลอดถึงออกมาเป็นโทสะเนี่ยมันจะครอนําใจเอาเพราะแต่ยินดีเนี่ยพิชามันก็เกิดแต่ยินร้ายโทมนัตมันก็เกิด แต่เราเห็นว่าระดับนี้มันเป็นระดับศีลของพระไม่จะสีงโง โ, โยมโยมเย็นดีเย็นร้ายได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเดือดร้อนใจตัวเองเพราะวันเป็นปัญหาระดับธรรมะแล้วก็การสมรวมระวังเหล่านี้ก็ส่งแสดงไปเรื่อยไปนะฮะทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายแล้วก็รวมไปจนถึงรู้แจ้งทันมารมด้วยใจแล้ว หนะมายความเห็นรูปด้วยตาได้ ย, ยินเสียงด้วยหูสูดรมพิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งด้วยกายแล้วก็รู้แจ้งธรรมรมปด้วยใจแล้วเนี่ยไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุปยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุสนธรรม อันหลามโมเกือ้อปิจาความเพ่งเล็งโลภอยากได้แล่ธุระนัตเนี่ยครอบนําได้ชีวารักษาจากขุนศีโซตินรีการินรียชิวินศีกายินศียมนินศียนะฮะก็ว่ามาโดยําดับแต่ว่าเวลาส่งแสดงเนี่ยสงยกมาแต่ละข้อเพราะว่าในยุคสมัยนั้นมันไม่มีหนังสือการพูดรอบเดียวบางทีก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นก็พูดกันหลายรอบเพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจ ทีนี้ชื่อว่าถึงสํารวมไหนจากขุนสี่โสตินสี่นินสี่จนะือินทรีกายินสีนะฮะอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกาใจพวกงนันแล้วประกอบด้วยอินเซียสังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสํารวมระดับพระอริยะนะฮะไม่ใช่ระดับสามัญชนระดับสามัญชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพระเราเนี่มันต้องอยู่ในเส้นทางของพระอริยะคือปฏิบัติใกล้หลักการของพระอริยะเข้าไป ย่อมสวยสุขมันไม่ละคนด้วยกิเลสที่เกิดขึ้นในภายในหมายความว่าเมื่อใจไม่มีความยินดีเย็นร้ายในใจมันก็สงบกิเลสประเภทความยินดีเนี่ยเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินบุคคลอื่น ส, งส่งส่งอธิบายในโอกรารต่อไปกิเลสประเภทความรินาราเย็ร้ายก็เหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นเสียแทงตัวเอง ทีนี้เราก็อยู่ในฐานะที่ไม่เป็นนี่แล้วก็ไม่เป็นโรคโรคก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีเนี่ยมันก็อยู่สบายนี่ก็ถือว่าเป็นผู้คุ้มครองในอินทรีย์ทั้งหลายปัญหาเหล่านี้อย่างที่เคยบอกไว้ว่าเราอยู่ในยุค ข, ข้อมูลข่าวสารเนี่ยปัญหาเรื่องอินทรีย์สังวรเป็นปัญหาภูเขาเลย ปัญญายากมากเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่มุ่งสแสวงหาผลประโยชน์เขาเรียกว่าออยเยือก็แลแ้วกันเนี่ยออยเยือทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจเป็นสังคมที่ถูกปรุงแต่งถูกสร้างให้เกิดความอยากแล้วจะยั่วยากกันด้วยวิธีการต่างๆไปดูการโฆษณาขายบัาน จากสิบเก้าล้านถึงสามสิบแปดล้านเรางงเลยบ้านอะไรเป็นใหญ่มหาศาลมันแพงขนาดนั้นแต่ดูแล้วก็ไม่ค่อยใหญ่อะไรเท่าไหร่แต่ทาไมมันแพงมหาศาลได้เกินเงินทองขนาดนี้นะฮะเราจะเห็นว่าถ้าคนสมมติว่าเช่าเช่าโรงแรมอยู่สักห้องหนึ่ง แล้วก็มีคนดูแลปฏิบัติอยู่ตลอดต้องอยู่ได้ตั้งนานนะฮะอยู่ได้หลายเป็นสิบสิบปีกว่าเงินจะหมดแล้วก็ชีบิดเราอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่ก็ไม่รู้แต่นั้นก็คือเป็นการกระตุ้นให้มันแทนที่จะมีบ้านพออยู่สะดวกสบายไม่เดือดร้อนก็ต้องการแข่งขันกันต้องการอ ว, วดม้างโวมีต้องการบ้านใหญ่บ้านโตขึ้นมา ปัญหามันก็มีแต่ทุกติดตามมานั้นเพราะอะไรเพราะเกิดยินดียินร้ายถามมาจากอะไรมาจากไม่สมดุลระหว่างอินทรีย์วัาเรื่องสมดุลระหว่างอินทรีย์นี่เขาอยู่ทุกแห่งเป็นปนัญหาที่ยากต่อการจะแก้ไขถ้ากว่าใครทําได้ก็เป็นบุญของบุคคลเหล่านั้นแต่ทําทไม่ได้มันก็ต้องสายไปด้วยหน้าของความยากอยู่ลงไปต้องฟังทังหลาย แต่หลงปพทิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี